กเตี๋ยวลดเข็นเย็นตะโฟจะยองขวัญสัมผัสสยองช่วงที่ผมทำงานฟรีแลนซ์อยู่กับบ้านสองสามปีที่ผ่านมาผมมาใส่ก๋เตี๋ยวของพี่พดแก่สำหรับมื้ออาหารกลางวันเสมออันที่จริง ก็รู้จักพี่พ์แกมาตั้งแต่เด็กแล้วพ่อแม่ผมซื้อที่ดินที่จัดสรรย่ญญานนี้เมื่อ30กว่าปีก่อนพร้อมๆกับครอบครัวของพี่พ์ตั้งแต่ผมจําความได้ก็เห็นแกเข็นก๋วยเตี๋ยวขายจากรถเข็นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงเมื่อ10กว่าปีก่อนตระเวนขายในย่านนี้ผ่านบ้านผมตอนกลางวันทุกวันผมกินก๋วยเตี๋ยวแกมาเรื่อยๆจนกระทั่งหลังเรียนจบได้ทํางานบริษัท 3ปีแล้วก็ออกมารับงานอิสระผมก็ได้ใสยก๋วยเตี๋ยวแก่กินเป็นมื้อเที่ยงแทบทุกวันเพราะสะดวกดีอีกอย่างหลังจากพ่อเสียเหลือผมกับแม่แม่เองก็ตระเวนไปนอนบ้านพี่คนอื่นที่มีครอบครัวกันไปหมดบางทีก็ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนเก่าตามวัดตามวาไม่ก็ออกมาทอดผ้าป่าไปตามเรื่องผมก็ไม่ค่อยได้ทาอาหารกินเอง หากไม่อาศัยอาหารถุงที่กินเหลือมาประทังชีวิตในตอนเย็นก็จะเลือกกินตามร้านค้าต่างๆที่มีมากมายตามหน้าปากซอยมือกลางวันผมมักจะอาศัยก๋วยเตี๋ยวพิพด์กินรองท้องอยู่เสมอจนคุ้นเคยกับแกมากขึ้นในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาแต่งานใหม่ทำให้ผมต้องออกเดินทางและใช้ชีวิตต่างจังหวัดจึงไม่ค่อยได้กลับบ้านในช่วง78เดือนหลัง ผมก็เลยห่างก๋วยเตี๋ยวของแกไปนานค่ำวันนี้ผมหยุดงานมานอนพักอยู่ที่บ้านระหว่างที่นอนฟังเพลงอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงร้องตะโกนก๋วยเตี๋ยวมาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวผมมองนาฬิกาบนผนังก็เป็นเวลาสามทุ่มก ว, กว่าแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาแต่ก็เอจใจว่าปกติแกจะขายเฉพาะช่วงเช้าถึงบ่าย เดี๋ยวนี้แกขายตอนค่าด้วยหรอหรือว่าจะขายไม่ดีเลยต้องมาขายเวลานี้ด้วยก็อย่างว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีแกคงจะขยันเป็นพิเศษผมนึกระหว่างเดินออกจากบ้านไปโบกมือเรียกแกให้หยุดซึ่งละแวกบ้านผมนั้นแต่ละหลังปลูกข้างกันพอสมควรมีต้นไม้ขึ้นในเขตบ้านของตัวเองดูหนาเขียวคลึมอึมครึมปกติก็เงียบเชียบอยู่แล้ว นี่ก็ปลาเข้าไปสามทุ่มจึงเงียบเชียบกว่าเวลากลางวันซสี่อีกผมเดินออกจากบ้านพร้อมชามเปล่าใส่ก๋วยเตี๋ยวสั่งเส้นเล็กเย็นตาโฟแล้วมองไปรอบๆ บ, บรรยากาศชื้นดูเย็นเยะอเยือกชับกนพิพด์แกก็ทักทายเรียบเรียบเย็นเย็นใบหน้านิ่งๆหิดไปจากทุกครั้งพักนี้ไม่ค่อยเห็นหน้านะผมจ้องมองหน้าแก จากลักษณะท่าทางและน้ำเสียงของแกที่ผิดไปซึ่งวันนี้ดูเหมือนกับว่าแกนั้นไม่ใช่พี่พศคนเดิมผมตอบแกไปว่าทํางานที่ต่างจังหวัดเพี่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านแม่ก็ไม่ค่อยเห็นอ๋อหลังๆแม่ชอบเที่ยวครับไปนั่นไปนี่ไม่ค่อยได้อยู่ติดบ้านเหมือนก่อนผมตอบแกแล้วก็รับชามก๋วยเตี๋ยวมาเตรียมเติม เ, มเครื่องปรุง พอผมได้ยินเสียงรถขายโอเลี้ยงกาแฟเย็นก็หันไปดูพอหันกลับมาหาแกอีกทีก็ปรากฏว่าแกหายไปแล้วยังไม่ทันได้เติมเครื่องปรุงเลยผมบ่นแล้วเดินเข้าบ้านไประหว่างนั้นผมก็นึกขึ้นว่าวันนี้เป็นวันอะไรค่ำขนาดนี้แล้วยังมีคนออกมาขายของกันอยู่หลังจากที่ผมค้นหาซองเครื่องปรุงพริกปน่น และน้ำตาลสำเร็จรูปที่เหลือติดครัวอยู่จนได้มาสองซองเมื่อกลับมาชี่ชามเย็นตาโฟผมก็ต้องตกใจแทบังะมันไม่ใช่ชามเย็นตาโฟแต่เป็นชามเลือดสีแดงทรงกลิ่นเหม็นคาวมากเมื่อตั้งสติดได้ผมก็ยกชามออกมาหน้าบ้านเพื่อเตรียมจะเททิ้งแต่ก็มองหาภาชนะที่จะใส่ก่อนพี่คนขายโอเลี้ยงกาแฟเย็นคงเห็นผมหน้าตาตื่น จึงถามผมว่ามีอะไรเหรอก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟรครับผมซื้อจากพี่พศแก่พอยกเข้าบ้านไงกลายเป็นชามเลือดทั้งชามก็ไม่รู้โดนแล้วละ่ะพี่คนขายกาแฟพูดไม่เห็นผมทำหน้างนงมจึงอธิบายให้ผมฟังว่าพี่พศแก่ตายมาได้สองเดือนแล้วมั้งผมตกใจร้องอุทานตาโตแต่กี้แกยังขายก๋วยเตี๋ยวให้ผมอยู่เลยผมก็ว่าเห็นคุณยืนพูดอยู่คนเดียว ยังนึกแปลกใจเลยมีคนเจอมาหลายคนแล้วบางทีก๋วยเตี๋ยวเรือน้ําตกก็กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเลือดบะมีแห้งก็กลายเป็นชามหนอนคุณรู้ไหมว่าแก้ตายยังไงหลายเดือนก่อนมีสิบล้อขับเข้ามาในซอยของเราแล้วเกิดเบรกแตกแกจอดขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีๆก็เลยซวยถูกทับตายนอนตรงหน้าโกดังขายของเก่าพอดี น่าสงสารแกมากนี่คุณไม่รู้เลยเหรอเรื่องออกจะดังหลังจะคุยเสร็จผมก็เดินกลับเข้าบ้านแล้วดูดน้ำจากถุงโอเลี้ยงที่ซื้อมาพร้อมกับนึกสงสารทั้งแกและตัวเองไม่น่าเลยพี่พ์เล่นผมแรงจริงจริงระหว่างนั้นแม่ผมก็โทรเข้ามาผมก็เล่าให้แม่ฟังเรื่องผมโดนพี่พศหลอกและได้รู้ความจริงกับพี่คนที่ขายโอเลี้ยงกาแฟเย็น แม่ตอบเสียงเรียบๆว่าแกโดนสองเด้งแล้วไอ้คนขายโอเลี้ยงมันก็ตายพร้อมเอกพจนนั่นแหละมันหลอกแกทั้งคู่เลยเพราะผมวางสายจากแม่ก็หันไปดูถุงโอเลี้ยงที่ผมซื้อมาซึ่งแขวนอยู่ตรงลูกบิดประตูก็ปรากฏว่าถุงนั้นมันมีแต่เลือด ก, กลิ่นเหม็นเนา่าและมีหนอนคลานอยู่เต็มไปหมดผมอ้วกคุ่งในทันทีแล้ววิ่งเข้าห้องน้าไปอ้วกและล้างคออยู่นาน หลังจากคืนนั้นผมก็ไม่กล้าออกไปที่หน้าบ้านตอนกลางคืนอีกเลยสัมผัสสยอง